แล้วก็เหมือนกับว่ามันก็เข้าใจว่าอ๋อถ้ามันมีเหตุการณ์แบบนี้จิตเขาทํางานแบบนี้ถ้าแบบเนี้ยมากระทบจิตก็ทํางานแบบนี้อย่างเงี้ยเจ้คาค่ะเห็นไหมไม่ใช่เราทํางานนะและ้เนี่ยเราภาวนานะเราเจริญสติปัฏฐานเนี้ยเพื่อจะถอดถอนทําลายความเห็นผิดว่ามันเป็นเราขันห้าเป็นเราผู้เห็นไม้มกายเขาก็ทํางานเขาเองจิตเขาก็ทํางานเขาเองภูภาวนาได้ดีมากนะ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 ปัญญาตัวนี้นะเรียกว่าสังขารู้เบกขาจิตที่อยู่ตรงนี้เนี่ยเรียกว่าจิตซึ่งมีอุเบกขาสัมโพชฌงมนะมีอยู่ไม่กี่คนนะที่ภาวนามาถึงตรงนี้ได้ในวัดนี้ก็มีกูบาอแก่แม่ชีนุษนะจิตที่เป็นถอดออกมาเลยเนี่ยนะมีน้อยนะที่จะทำได้ส่วนใหญ่ยังตะลุมบอลหมดแต่ว่าของเสื่อมนะปูอย่า <c oughs> ตกใจ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 เหมือนด้วยความเข้าใจอะ่ด้วยความเข้าใจด้วยตัวปัญญา น, นั่นเองมันเกิดความเข้าใจมันเห็นวนะ่ามันไม่ใช่เราสั ก, กันเดียวขันนะตอนนี้ชมพูก็อย่าไปคุยธรรมะ ก, กับคนอื่นนะหน้าที่ของเราเรารู้ของเราลูกเดียวเดี๋ยวหลวงพ่อพูดอย่างเี้ยเดี๋ยวคนจะแห่ไปคุยกับชมพูทำให้ชมพูเสียหายดีพูก้กลาบขอบคุณหลวงพ่อเรื่องเมื่อสองวันก่อนด้ค่ะ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 เป็นอุเบกขาภาวะอะไรเกิดขึ้นจิตก็ยังเป็นอุเบกขาอยู่งั้นเองไปหลงไปรู้นะแต่ไม่รวมเข้าไปหรอกอเป็นภาวะที่อศัศจรรย์ละในฝ่ายของปูธชนนะตัวนี้สุดอศัศจรรย์ละเป็นสิ่งที่คนนึกไม่ถึงนะคนทั้งหลายเวลาจิตไปรู้อะไรก็จะไหลไปรวมกันนั้นเวลาลงมือปฏิบัติจะไปเพ่งทื่อๆอยู่งนะั้นหรือไหลไปอยู่กับความว่างไหลไปไหลแล้วเข้าไปเสพ เห็เก่งไหมจิตเราไม่ได้ไหลเข้าไปมันหลงไปนะแต่ไม่ไหลหลวงปู่ดูลถึงบอกกระทั่งพระอรหันเนี่ยมีจิตที่ส่งออกนอกแต่ไม่กระเพื่อมมั่นไหวมีจิตส่งออกนอกแต่ไม่กระเพื่อมมั่นไหวจิตมันไม่เสพอารมณ์จิตมันสักว่ารู้สักว่าเห็นภาวนานะมาถึงตรงนี้แล้วโอกาสที่จะทําในชีวิตนี้เป็นไปได้แล้วว่าไงว่าไงปลื้มใจเขา มีใครอิดชาสารภาพมามีไหมยกมือนี่มีผู้กล้าหารสี่คนนอกนั้นไม่กล้าหารหลายคนอิดชานะหลวงพ่อเห็นตาวาวๆาวอยู่ก็ที่ผ่านมาก็รู้สึกว่าดีขึ้นดีขึ้นจิตมีเรี่ยวมีแรงนะมีแรงขึ้นก็จะใช้อนาปานสติดูไปเรื่อยๆได้ได้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 ดีภาวนาจะเด็กขี้แยภาวนามันได้อย่างนี้อัศจรรย์วันนี้โอรู้สึกว่าจิตเขาพาไปดูในความรู้สึกว่าขันมันเป็ น, เ ป, นเป็นทุกข์อะค่ะหลวงพ่อขันมันเป็นอะไรนะเป็นทุกข์อะค่ะนนในตัวของมันบางทีมันก็หมุนอยู่ในนี้ค่ ะ, ะเร็วๆแรงๆบางครั้งบางครั้งมันมีความรู้สึกเหมือนกับว่ามันถูกบีบขั้นมากๆเหมือนกับใจมัน มันจะมันเกือบจะระเบิดออกม า, อาให้มันระเบิดตายตา ย, ตายไปนะ <c oughs> <Yes. S 2> มันรู้สึกว่าแบบมันต้นองสู้เลยไม่ถอยเลยมันหน่ายนั่นแหละมันหมุนจี๋จีจ๋ีทั้งวันเลยนะภาวนาไปถึงจุดหนึ่งเห็นเลยมันเกิดดับที่ยิบไปรอบตัว <c oughs> <c oughs> แล้วมีแต่ทุกข์ล้วนๆนอก <c oughs> จากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรตั้งอยู่นอกจากทุกข์ไม่มีอะไรดับไปเลยอยหมุนจี๋จี๋จีใจก็หน่ายออกไปนะถึงจุดหนึ่งอย่าเห็นแต่ความทุกข์ล้วนๆเลย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 ตรงแล้วเหรอหลวง <c oughs> พ่อลืมแล้วดูสิไม่จำเลยนะ <c oughs> จริงๆนะหลวงพ่อดูเมตตานะจริงๆหลวงพ่อไม่มีความอะไรอววรอะไร <c oughs> พวกเราสักนิดเลยพอหมดธุระคุยธรรมะจบแล้วก็ลืมไปเลย <c oughs> บางคนมาลาไปเมืองนอกสองสามปีนะรับทราบนะแปบ๊บเดียวรู้สึกมาอีกแล้วทำไมกลับมาไว <c oughs> จบแล้ว <c oughs> ไม่เคยนึกถึงเลย หลวงพ่อมีอะไรแนะนําเพิ่มเติมออกคไหมคะอย่าบังคับมันอย่าบังคับรู้รเล่นเล่นบังคับเยอะไปนิดนึง<า>นะอะส่งไปใครไม่อยากได้ไม่ต้องกังวลนะไม่อยากได้ก็รับแล้วก็ส่งผ่านไปเนี่ยจะมาเครียดครับที่ผ่านมาดูโทรศัได้ละเอียดขึ้นครับโทรศัเล็กๆน้อยๆก็เห็นได้ชัดขึ้นดีๆนะแล้วเห็นโมหะบ้างยังโมหะเป็นตัวที่ดูยากที่สุดครับรูปเผลอขณะดนี้จิตมีโมหะหรือเปลไหม มันทื่อๆ อ, อยู่นิดนึงครับเนี่นคยค่อยๆรู้ไปหัดรู้สภาวะไปด้วยนะถึงว่นหนึ่งเข้าใจเข้าใจก็เข้าใจจริงๆนะปัญญามันเกิดแล้วเข้าใจมันจะวางจิตมันอยู่ทางหากเลยค่อยฝึกไปให้รู้สึกข้ามคุณตรงไปทางนี้ข้ามไปได้ไงเออซิงนี้เอ า, เอาไปละกอน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 เป็นภูเขาเล่ากาเลยบางคนไปไหนนะเหมือนแบกครกตําข้าวรู้จักไหมครกตําข้าวแบบโบราณจะรุ่นนี้ไม่เคยเห็นเลยมันจะทําด้วยสูงนะขุดไม้ทั้งท่อนใหญ่ๆเลยขุดใช้สากใหญ่ๆสองอันเนี้ยกระทุงเนี้ยเนี่ยมันแบกหนักอย่างเนี้ยจิตที่มันหนักขนาดนั้นภูมิของมนุษย์รองรับไม่ได้ตายไปมันก็ลงอบอายเลยให้เราคอรู้คอดูไปนะแต่ไปก้อนนี้จะสลายไปนะถ้าเราไม่ไปปรุกขึ้นมา ใช่ครับเพราะว่าบางทีเนี่ยเเหมือนกับแบบพอเราตามรู้ด้วยด้วยใจที่สบายสบายไม่ได้บังคับรู้มันเหมือนมันแตกออกไปทีละเล็กทีละเล็กมันมันค่อยสลายตัวเพราะเราไม่ทําเพิ่มแต่แต่แต่มันไม่ได้แตกแตกเปรี้ยงกระจายแต่ว่าแตกเป็นเล็กเมันต้องชดใช้กรรมไปก่อนจะค่อยค่อยสลายตัวไปกราบนมัสการครับเพิ่งเคยมาครั้งแรกครับแค่อยากมากราบหลวงพ่อ อกลับเรียบร้อยอคุณตรง <c oughs> คนนี้มากน้อยมากราบหลวงพ่อสามสามสี่วันนี้จะหลงแล้วก็เพ่งแล้วก็ลงภวังบ่อยครับจิตที่ลงภวังช่วงนี้เป็นปกตินะไม่ต้องตกใจเพราะลงของเขาเองอหน้าที่เราก็คอยรู้ไปช่วงหนึ่งก็คลายออกช่วงนี้ลงภวังธรรมดาดูนิดนิดหน่อยหนก็ลง หรือนั่งนะหลวงพ่อเคยเป็นนะขนาดนั่งกัดสมาธิเทศนะยังลงเลยเดินโจงกลมก็ลงทําอะไรก็ลงลงตลอดเลยเราคลุ้มใจแทบตายเนะี่ยไปเจอหลวงปู่สิมหลวงปู่สิมบอกว่าอย่าสงสัยเลยให้รู้ไปครับก็เลยไปคิดถึงเมื่อวันก่อนที่หลวงพ่อบอกว่าแค่พอยขอกมันคือแค่หยุดหรือคําว่ายอมเนี่ยผมผมฟังอะไรนะหลวงพ่อได้แนะนํามาบอกว่า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 ศีลผิดไม่ได้นะศีลผิดเนี่ยอย่ามาพูดเรื่องภาวนาภาวนาไม่ขึ้นหรอกอย่านึกนะว่าไม่มีศีลแล้วจะภาวนาได้ทางนี้ล่ะหมดยังขอหลวงพ่อชี้แนะดังนั้นนะคะ่ะง่ายดีนะฝ <laughs> ึกมาแบบไหน กายแล้วก็ดูดูที่เรียกเซนเซชันดูอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วก็<ด>ลมหายใจดูดูกายอะค่ะดูกายดูกายต้องมีใจที่ตั้งมั่นสักว่ารู้สักว่าดูนะใจต้องอยู่ต่างหากเป็นแค่คนดูค่ะเนี่ยที่ฝึกอยู่พอใช้ได้แต่ตอนนี้ไม่ได้แล้วใช่ค่ะตะกี้ใช้ได้เนี่ยตรงเนี้ยใช้ได้อย่าไปเพ่งนะอย่าไปเพ่งกายให้ทื่อๆขึ้นมา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 ที่ทาอยู่ที่เรานึกว่าวิปนะัสสนาจริงๆสมถะเมื่อกี้ใจไหลไปคิดแว บ, บหนึ่งทราบไหมเออไม่ทราบไม่เป็นไรใจกลับไปทื่อๆ อ, อีกแล้วรู้สึกไหมเออเลิกซะตรงนี้ตรงนี้แหละที่ติดสมถะอยู่เอออย่างเก่งนะหลุดอยู่ได้หลายขนาดแล้วเริ่มกลับเข้าไปอีกแล้วดูออกไหมอ อ, ออกมาอย่าเข้าไปตรงนี้แหละที่ผิดอยู่ อ, อ้ต่อไปอ้าว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 ใจอยากจะดูให้รู้เรื่องรู้ว่าอยากใจเป็นไงรู้ว่าไม่ใช่นะหลงไปแล้ ว, ลวเราตอนนี้หลวงพ่อดูให้ได้ไหมครับเป็นตอนนี้อะไรนะดีดยังครับตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ไม่ดีครัตอนนี้กําลังจดจ่อรอคําตอบอยู่ดูออกหรือยังภูมิใช้ได้ละดีแล้วล่ะใช้ได้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 ก็ลําพังรู้ว่าได้กลิ่นรู้ว่าเจ็บรู้ว่าปวดนะคนทั่วๆไปก็รู้ได้ใช่ไหม ค, คนทั่วๆไปนั่งนานเขาก็รู้ว่าเขาปวดนะให้เรารู้ลึกซึ้งลงไปอีกเ<ถ>ช่นพ อ, พอมันปวดแล้วเรากระวนกระวายใจให้รู้ว่ากระวนกระวายใจแต่ถ้าทุก ท, กทกสภาวะที่ระหว่างที่เรานั่งอยู่เราเร า, เรากายเราจะกายเราจะเบาเบ า, เบาสบายสบายแล้วเราก็จะรู้จักหยาดอยู่นะมันเป็นนิ่งนิ่งอยู่ไม่ดีนะไม่ดีเหรอคะได้สมถะ ดีเหมือนกันอ่ะดีอย่างสมรรถ ะ, ะพยายามรู้สึกตัวในชีวิตประจําวันให้มากมากเ น, นี่ยตอนเนี้ยรู้สึกไหมใจมันอยากพูดมัน ม, ม, มีมันเพเยตัวขึ้นมามันกระเดิดขึ้นมาแวบเนี่ยเนี่ยให้รู้ไปคล้ายๆก่อนมีมีแรงดันนั่น<ม><ม>แหละนั่นแหละตัวนั้นแหละคือตันหาตัวเนี้ยเป็นตัวสั่งเราสั่งให้ดูสั่งให้ฟังสั่งให้คิดสั่งให้ปฏิบัติตัวนี้สั่งทั้งมันเลยต่อไปนี้ถ้าตันหาเนี่ยเห็นไหมความอยากพูดผุดขึ้นมาเมื่อกี้ะ มันฟุดขึ้นมานะให้เรารู้ทันมันไปเห็นไหมเห็นมเห็นไหมถ้าเราอยากอยากจะทําในสิ่งที่ดีนะคะเราดูก่อนขนาดที่อยากเนี่ยนะอกุศลเกิดแล้วถือว่าอยากทาสิ่งที่ดีอกุศลเกิดแล้วให้รู้ก่อนว่าอยากเพราะอกุศลคือความอยากดับไปแล้วเหลือเหตุผลแล้วสมควรทําก็ทำนะไม่ได้ทาเพราะอยากนะทาด้วยเหตุผลนะ เผลอแล้วรู้สึกไหม <S <S ต้องหัดรู้สึกตัวนะใจมันยังไม่ค่อยรู้สึกมันกระโดดเร็วรู้สึกไหมใจเราวบไหวมากเลยโดดวุ้บวับวุบวตลอดเวลาให้รู้ไปว่ามันกระโดดไปกระโดดมาไม่ค่อยนิงน่งเนีเ่ยเนี่ยกลับไปเท่งให้นิ่งแล้วตรงนี้ก็ไม่เอานะ <S <S ใช่เออแล้วมัน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 ให้ทรงอารมณ์อยู่อย่างงั้นแล้วจะเกิดขึ้นต่อไปเองเหรอคะมันเกิดเองแหละแต่ว่าถ้าดีที่สุดนะก็อย่าไปทรงไว้มันเสียเวลานะก็คือไม่รู้จะทำอะไรต่อไปเพราะมันว่างแล้วอะคะ่ะเออว่างก็ดูไปว่างก็ไม่เที่ยงว่างก็ไม่เที่ยงดูไป<ม>คือถ้าเราฝึกมากๆนะเราจะรู้สึกว่าความว่างเที่ยงในสุดเราจะเอาความว่างนี้เป็นที่พึ่งเวลาเราตายไปจิตเราจะไปอยู่กับความว่างนี้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 ความว่างเลยจิตทรงอยู่งั้นได้เป็นวันวันเลยอย่างงั้นคือสมถะกับการสมาสมาธิคืออย่างนี้หายใจออกไปหายใจเข้าสังเกตไหมจิตมีความว่างเกิดขึ้นเป็นช่วงช่วงเนี่ยดูไปเห็นไหมจิตเดี๋ยวก็ว่างเดี๋ยวก็ไม่ว่างเดี๋ยวก็ว่างเดี๋ยวก็ไม่ว่างดูไปงี้นะจิตอย่างนี้มันเดินตัญญาได้เห็นมันเกิดดับดูออกไหมความว่างนั้นเกิดดับเกิดดับเกิดดับดูไปเรื่อยๆนะ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 แล้วก็เบาหรือบางครั้งก็นหนักแต่มีความรู้สึกว่ามันมีสัมผัสอยู่บนใบหน้าศรีรษะสื่อความหมายถึงอะไรคะก็จิตเรามันไวรับรู้สิ่งแวดล้อมได้อย่างบางที่เราเดินไปนะอยู่ๆขนหัวลุกเลย <ฮะ S 2> นี่ตัวนี้ผีดุ <c oughs> <c oughs> บางที่เข้าไปนะโป่งโล่งไปหมดเลยสบาย <c oughs> คือสภาพแวดล้อมมันเป็นอย่างงั้นและที่เข้ามาที่นี่สื่อถึ ง, ถ ง, ถงอะไรคะ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 แต่ว่ามันไม่ได้นั่งอย่างที่เรานึกเท่านั้นเองใจเราเป็นนิ่งๆว่างๆแล้วเนะนะี่ยมันก็เป็นสมาธิอันหนึ่งรู้สึกตัวในชีวิตประจํำวันให้เยอะๆนะพระสมกทรคารุ่งพ่อครับก็ผมฝึกอยู่ครับก็ก็คือไม่รู้ว่าถูกหรือเปล่าครับก็คือว่ า, อาเออก็รู้ว่าตัวใจรู้ที่ถูกแล้วล่ะที่ฝึกอยู่ถูกแล้วเดี๋ยวหลวงพ่อเฉลยให้เลยนะเนื่องจากเวลาจํากัดที่ฝึกอยู่ใช้ได้แล้วคอยรู้ไปเรื่อย แล้วก็เพิ่มก็ลด้ก็เพิ่มหรือว่ามีอะไรต้องแก้อีกไหมครับหรือว่าไม่ต้องแก้ให้รู้ลูกเดียวแต่ว่าลดความจงใจลงนิดนึงครับตั้งใจแรงไปนิดนึงตอนเนี้ยครับแล้วอย่างเวลาผมทาสมาธิอย่างเงี้ยครับเวลารู้มลมหายใจอย่างเงี้ยครับควรจะแบบเวลาห้องพุดโคในใจเนะี่ยควรจะห้องพุดโคทิสผีให้สัมพันธ์กับลมหายใจไหมครับหรือว่าให้ห้อง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 ตัวจิตเราคือปลาก็คือท่องเร็วๆก็ได้ก็ขอให้ใหแวบก็รู้แค่นั้นใช่ไหมครับทําไมต้องท่องเร็วเพราะกลัวจะแวบอ๋องั้นเวลาที่เราต้องการทําความสงบแล้วใจเราคิดมากมันฟุ้งซ่านมากนะเราท่องพุทโธเร็วๆพุทโธก็คือความคิดนั่นเองพุทโธเป็นความคิดอย่างหนึ่งแทนที่จะปล่อยให้คิดร้อยเรื่องพันเรื่องให้มาคิดคําว่าพุทโธนี่พอมันใจมันดิดตี้จะหนีเราพุทโธเร็วๆไว้พุทโธพุทโธพุทโธพุทโธไป แต่พอใจสงบแล้วก็พุทธโทรสบายๆไม่ต้องรีบร้อนนะ ร, รีบร้อนใจไม่สบายบแล้วก็พุโทโธพุทธไโครั บ, รบเนี่ยเนี่ยคนที่ว่าไปดูความว่างอ่ะหนีไปและลืมตัวเองแล้วลืมกายลืมใจตนเองนะพยายามรู้สึกกายรู้สึกใจไหมครั บ, รบอ้าส่งไปเลยไปทางไหนก็ได้ช่วงนี้ก็ท่องพุทธโทรกันครับ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 ไม่งนกแก้วมันก็พุโทโธได้นะเราพุโทโธให้มันฟังเดี๋ยวมันก็ร้องพุโทโธพุโทโธทั้งวั น, นใจมันไม่ถูกนะงั้นมันไม่บรรลุอะไรของเราพุโทโธแล้วเรารู้ทันใจไปตอนนี้ใจไหลไปคิดทราบไหมเนี่ยให้พุโทโธแล้วรู้เนี่ยพุทธโธแล้วกำลังบังคับตัวเองแล้วรู้สึกไหม เ, ออเราก็ไม่บังคับอย่าฝึกบังคับตัวเองแล้วก็อย่าหลงไปนานเนี่ยกลับมาบังคับแล้วทราบไหมตรงนี้เลิกซะ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 อ้าหนุ่มเสื้อแดงใจลอยไปแล้วกราบนมาส ก, การหลวงพ่อค่ะดิฉันมาเป็นครั้งแรกแล้วก็รู้สึกดีที่ได้มาวันนี้เดี๋ยวเอแค่นี้เนะเาะอรับทราบกราบนมาส ก, การค่ะนูตรรู้สึกว่ามันหลงบ่อยอะค่ะเออหลงบ่อยหรือหลงนานก็บางครั้งก็นานเลยค่ะแล้วกว่าจะมารู้อีกทีนึงก็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 คือยอมฟังจากซีดีแล้ววันนี้ดีใจที่ได้มาพบหลวงพ่อด้วยตัวเองดีใจเรารู้ไหมทราบดีใจแล้วนั่งดูไปยาคนนี้ก็ดีใจตัวอย่างนี้นะนั่งดูขอคําแนะนําเพิ่มเติมด้วยอะไรนะขอคําแนะนําเพิ่มเติมนี่ไง<ๆ>เราคอยรู้สึกไปร่างกายเราขยับเขยือนอย่างมันพยักหน้าเนี่ยเราก็เห็นไอ้ยายคนนี้แกพยักหน้านมันโกรธขึ้นมาเราเห็นยายคนนี้แกโกรธอย่างเงี้ย น, นั่งดูเหมือนเราดูคนอื่นไปเรื่อย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 ออดูออกแล้วผ่านไปอ่ะได้อีกคนสุดท้ายอ่ะคือฝึกมาแบบท่านอาจารย์โกเองก้าค่ะก็ฝึกต<ข>่อไปได้นะไม่ผิดอะไรค่ะคระคนนี้เป็นการจับความรู้สึกบนลงล่างคันนี้แต่ว่าต้องระวังนิดนึงอย่าไปเพ่งตัวนะอย่าไปเพ่งความรู้สึก<ข>ให้รู้ไม่ใช่ให้เพ่งแล้วอย่างเราปวดเราเมื่อยขึ้นมาเนี่ยให้เรารู้ไปกายก็ส่วนหนึ่ง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 แล้วค่อยดูย้อนลงมาดูทั้งวันเลยจ้องไม่ให้คลาดสายตาอย่างนี้ก็ไม่ได้ค่ะเมื่อกี้ใจไหลเป็นหนึ่งแวบทราบไหมเนี่ยไปอีกแวบหนึ่งแล้วขณะเนี้ยดูออกไหมเนี่ยหัดรู้ไปอย่างเนี้ยไปอีกแล้วทราบไหมให้รู้ทันอย่างนี้นะถ้าเรารู้สึกตัวเราตื่นขึ้นมาเนี่ยทั้งกายทั้งใจจะไม่ใช่ตัวเราเราจะเห็นเลยไม่ใช่ตัวเราตอนนี้แอบไปคิดแล้วรู้สึกไหมไปตรึงความรู้สึกให้นิ่งแล้ อย่าไปกดจิตไว้อย่างนี้ปล่อยกดมากไปค่ะขอบคุณท่านอาจารย์มากดูออกไหมอือกาลังกำลังพยายามคิดตามที่อย่ า, า, า, ายคิดมากาาคิดมากยากนานค่ะให้คอยดูความรู้สึกของเราที่เปลี่ยนแปลงไปนะอย่ตอนนี้เรากดตัวเองให้นิ่งอีกแล้วรู้สึกไหมเปิดกดใจให้มันนิ่งๆข่มมันลงไปค่ะ อ, อย่าไปคมมัน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 ถ้าชำ น, นิชำ น, นาญ น, นะ้นบางทีมอยู่ตรงนี้ได้หลายหลายเดือนเลย